มาศึกษาธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพราะณนะสถานที่แห่งนี้เราจะมีการแสดงธรรมในช่วงสาสิบนาทีแรกแล้วในช่วงสาสบนาทีหลังก็จะเป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เป็นความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทมที่จะมาแสดงในวันนี้มีชื่อว่าเกิดมาทำไมพวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้เรารู้หรือไม่ว่าเรามาเกิดทำไมกันถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของการมาเกิดว่ามาเกิดเพื่อมาทำอะไรกันเราก็จะคิดว่ามาหาความสุขกันมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ โดยใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสิ่งที่เราสามารถหาความสุขในโลกนี้ได้โดยใช้ร่างกายเราเป็นเครื่องมือก็คือโลกธรรม ท, ทั้งสี่นี้เองได้แก่ลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรดโุถุพะพะชนิดต่างๆที่พวกเราทุกคนนี้แทบจะไม่ต้องมีคนสอนไม่มีคนบอกกัน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกฝังปลูกฝังอยู่ในใจเรามาเป็นเวลาอันยาวนานว่าถ้าเราได้มาเกิดได้มามีร่างกายเมื่อไหร่เราก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากการมีลาบมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมียศมีตำแหน่ง มีสรรเสริญมีคนยกย่องเยืนยอแล้วก็มีความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผทธรรชาชนิดต่างๆอันนี้จะเป็นมุมมองของพวกเราทุกคนเราจะมองไปในน้นมองไปในด้านที่ให้ความสุขกับเราแต่เราลืมไปว่ามันเป็นเพียงด้านเดียว ซึ่งยังไม่ใช่เป็นการมองที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ายังมีอีกด้านหนึ่งของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลึกผ้าและของร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆโดยธรรมชาติโลกกะระมทั้งสี่นี้ อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ mm hmm. ก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. คือเป็นสิ่งที่มีการเจริญและมีการเสื่อมตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมีการเจริญลาบย่อมมีการเสื่อมลาบไปเป็นธรรมดามีการเจริญยศ ย่อมมีการเสือ่อมยศไปเป็นธรรมดามีสรรเสริญย่อมมีการนินทาเป็นธรรมดามีรูปเสียงกดลิ่นรสผลิภัพที่ได้สัมที่ได้สัมผัสแล้วเกิดความสุขขึ้นมาก็จะมีลาบยศก็จะมีรูปเสียงกดลิ่นรสผลิภัพที่จะให้ความทุกข์เวลาได้เสพสัมผัสเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นของที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงๆสลับกันไปสลับกันมาสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างจเจริญบ้างเสื่อมบ้างเกิดบ้างดับบ้างเป็นต้นและเป็นอนัตตาก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถครอบครองเอาไว้ให้เป็นสมบัติของเราอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด วันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับความสูญเสียในลาภยศสรรเสริญในความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมชาชนิดต่างๆชีวิตของเราแทนที่จะมีความสุขกันก็เลยต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการเสื่อมของสิ่งที่เราไปแสวงหา ไปเอามาให้ความสุขกับเราแล้วเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็คือร่างกายของเรานี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายไปในที่สุดพอร่างกายอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะตอบสนอง ควาต้องการของเราคือพาเราไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพัชชนิดต่างๆได้ใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าสร้อยหงอยเหงามีแต่ความทุกข์พอไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้นอกจากนั้นร่างกายก็ยังจะมีแสดงอาการเจ็บปวดต่างๆตาม ตามวัยตามสภาพเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีอาการเจ็บไปทั่วสภาวร่างกายเป็นต้นล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นที่เราม อ, มองไม่เห็นกันเรามองจะมองเห็นแต่ความสุขเราเพียงเรามองด้านเดียวเราไม่ยอมมองอีกด้านหนึ่งก็เลยเป็นเหมือนกับว่าอีกด้านหนึ่งนี้ไม่มีพออีกด้านหนึ่งปรากฏขึ้นมา เราก็รับกันไม่ได้เราก็ทุกทรมานใจเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งก็อยากจะคิดค่าตัวตายไปนี่แหละคืออีกด้านหนึ่งของการมาเกิดการมาเกิดนี้ไม่ได้มาหาความสุขเพียงอย่างเดียวมนอกจากการหาความสุขแล้วยังจะต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจาก ความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าการมาเกิดนี้เป็นความทุกข์ไม่ได้เป็นความสุขความสุขที่ได้เป็นส่วนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่เราจะต้องพบกันต้องเจอมันเวลาเจอความทุกข์แต่ละครั้งความสุขที่เราเคยได้มานี้มันหายไปไหนหมดไม่รู้มิไ ม, ไม่ไม่สามารถมาช่วยเราให้เราต้านความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เลยดัยงนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงตรัสรู้และทรงค้นพบก็คือว่าเราสามารถที่จะ ไม่ต้องมาเกิดได้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาเกิดมาหากับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกองไฟถ้าเราเดินเข้าหากองไฟเราก็จะถูกไฟเผาอันในโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งความทุกข์โลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย เล่าแข่การพัดพาคจากกันจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากเดินเข้าหากองทุกข์เหมือนกับถ้าไม่อยากจะถูกไฟเผาก็อยากเดินเข้าหากองไฟกองไฟเขาก็ร้อนของเขาโดยธรรมดาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มาเผาเราแต่ถ้าเราเดินเข้าไปหาเขาเองเขาก็ เขาก็ต้องเผาเราฉันั้โลกนี้ก็เช่นเดียวกันโลกนี้ก็เป็นโลกของความทุกข์ที่ท่านเรียกว่าตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกข์เพราะเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันของที่เราควบคุมบังคับทำให้มันเที่ยงทาให้มันให้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องให้ทั้งสุขทั้งทุกข์กับเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ ก็อย่ามาเกิดดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของการมาเกิดแทนที่จะมาหาความสุขจากสิ่งตา่างๆให้เรามาหาวิธีดับความทุกข์ดับการกลับมาเกิดกันจะดีกว่าถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าวิธีของการที่เราจะไม่มาเกิดนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง เพไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวในเบื้องต้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสั้วิธีการหยุดการเกิดหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนำเอาวิธีที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเอ ง, งต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ มาสอนวิธีของการยุติการเกิดเมื่อมีคาพระธรรมคำสั่งคำสอนปรากฏอยู่ในโลกนี้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวพระพุทธเจ้าอยู่แลอยู่แล้วก็ตามแต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเป็นผู้ทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่า พวกเราจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระศาสดาเพราะว่าพระศาสดานั้นก็คือพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละสวากขาตัวภควะตาธรรมโอเป็นธรรมที่จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำมาไปปฏิบัติ เราก็จะสามารถที่จะหยุดการกลับมาเกิดได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. เราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ mm hmm. อยู่เรื่อยๆ mm hmm. การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เราได้ทำมาผ่านมาเป็นจำนวนมากแล้วความทุกข์ที่เราได้จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มากมายอย่างหน้า หน้าวิตกน้าหวาดกลัวองทรงเปรียว่าความทุกข์ของพวกเรานี่ก็เหมือนกับน้ําตาที่เราต้องหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราเอาน้ําตาที่เราได้หลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอนี่คือปริมาณของความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจน้าตาที่เราหลั่งออกมา จากการเวียนว่ายตายเกิดของจานวนภพชาติที่นับไม่ถ้วนีิดูจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกี่รอบกี่ครั้งกันอึงนีาสามารถหลั่งน้ำตาให้ได้เท่ากับน้ำได้ได้ได้มากกว่าน้ำในมาหาสมุทร แ, และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เ, เราก็ยังจะมีการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์งเองก็ดีหรือพบกับพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะ <c oughs> ไม่มีวันรู้ได้วิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอน หรือพระ อ, อริยรสงสารกเป็นที่เป็นผู้ที่จะให้ความรู้กับเราถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีหรือพระ อ, อริยรสงสาวกก็ดีเราก็จะได้เรียนรู้วิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่าเราจะต้องทำกันอย่างไรบ้างถ้าเราไม่มี ผู้สอนไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนเราเราจะไม่สามารถสั่งสอนตัวเราเองได้เลยยกเว้นว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาตัดสินวิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองเท่านั้นดังนั้นถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ก็ถือว่าเราเป็นเป็นโชคกันมหาศาลของพวกเรา เพราะการที่เราจะสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เช<ม>นะ่นตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันแล้ว<ม>แล้วเราจะต้องมาเจอกับพระพุทธศาสนา<ม>เจอกับพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า<ม>แล้วเราก็ต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติถ้าเรามีปัจจัยเหล่านี้แล้ว<ม>ก็ถือว่าเรามีโอกาสที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายของเราได้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์<ม>เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วขั้นต่อไปก็คือเรามีศรัทธากับพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไร ถ้าเรามีศรัทธาน้อยเราก็จะให้เวลากับพระพุทธศาสนาน้อยถ้าเรามีศรัทธามากเราก็จะให้เวลากับพระาศาสนามากเราก็จะเพราะว่าเราจะต้องศึกษาวิธีการหยุดการเกิดว่าต้องหยุดได้อย่างไรแล้วเราก็ต้อง <c oughs> บำเพ็ญปฏิบัติวิธีที่เราได้ศึกษามาถ้าเราศึกษาแล้วเรายังไม่ปฏิบัติ ผลก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติโดยไม่มีผู้สอนไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไป็ผู้สั่งผู้สอนเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเราต้องศึกษาก่อนศึกษาวิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อได้ศึกษาแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติ เมื่อเรานำมาไปปฏิบัติแล้วผลคือการยุติของการเกิดแก่เจ็บตายก็จะเป็นผลตามมาต่อไปอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วนํามอนไปปฏิบัติจนได้บรร ล, บคคลุเป็นพระอาาริยบุคคลเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือความจริงของของพระศาสนาว่าเป็นเป็นคำสอนที่จะสามารถสอนให้ผู้ที่สนใจนำมอนไปปฏิบัติและบรรลุผลอันเลิศออันประเสริฐได้คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ก, ก็หลุดจากการที่เราไม่ไม่มีการมาเกิด อีกต่อไปนั่นเองเพราะว่าถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะพบชาติที่เรามาเกิดนั้นล้วนเป็นพบชาติที่เป็นเป็นตายลักเป็น้นี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วก็ต้องตายไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตา ม, มเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องตาย<ม>เกิดเป็นเทวดาก็ต้องตาย<ม>เกิดเป็นพรหมก็ต้องตาย ย้งเว้นการไปเกิดเป็นพระอารหรันต์เทนั้นที่จะไม่มีการตายต่อไปจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปดังนั้นเป้าหมายของชีวิตของพวกเราคือการมาเกิดของพวกเรานี้ก็คืออยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ยุติการกลับมาเกิดแ ก, ก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายของเราได้เราก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะเกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาซึ่งก็ถ้าเราไม่ศรัทธาในภพนี้ชาตินี้เราก็อาจจะต้องรอไปพบหน้าชาติหน้า จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อไหร่นี้ก็สุดแท้แต่บุญกรรมแล้วแต่โอกาส mm hmm. บางครั้งอาจจะอยู่ในจังหวะที่เรากําลังทุกข์เรายังเศร้าโศกเสียใจพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วก็อาจจะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาก็ได้ mm hmm. ถ้าเราอยู่ในช่วงที่มีแต่ความสุข mm hmm. เราก็อาจจะไม่พึ่งพระพุทธศาสนาไม่พึ่งคําสอนพอเราเวลา มีความสุขก็มักจะคิดว่าสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครเพราะไม่มีปัญหามีแต่ความสุขแต่พอเวลาเจอกับความทุกข์เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละรู้ว่าตนเองนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ของตนเองได้ก็จะมุ่งไปหาผู้อื่นเพื่อหาวิธีที่จะมาดับความทุกข์ของของตนให้ได้คนเราจึงมักจะต้องเจอกับความทุกข์ก่อน เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสเกิดความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคามําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอั mm hmm. นี่คือวิธีการของการมาเกิดของเราเรามาเกิดแล้ว mm hmm. เราได้เป็นมนุษย์เรามีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรามีพระพุทธศาสนาที่จะให้ความรู้ของการดับการมาเกิดได้ว่าจะดับได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเรามีศรัทธาพอที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวล่เวลาให้กับการหยุดการมาเกิดได้หรือไม่สิ่งที่จะทำให้เราทุ่มเทก็คือเราต้องเห็นว่า การเกิดนี้เป็นทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆตั้งแต่ข้อออกมาจากท้องแม่เลยก็ต้องพอาข้อออกมาก็ร้องแล้วไม่มีใครหัวเราะเด็กเด็กทุกคนที่ออกข้อออกมานี้มักจะร้องกันเพราะว่าจะต้องหายใจเองตอนอยู่ในคันนี้ไม่ต้องหายใจแต่พอออกมานอกคันนี้พอไม่หายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหายใจเอง นอกจากหายใจเองแล้วก็ต้องกินต้องดื่มเองอะไรต่างๆไปเรื่อยๆต้องดินรุนต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆทุกข์ที่มากับร่างกายร่างกายนี้มีความทุกข์คือความหิวความต้องการต่างๆอยู่ตลอดเวลาต้องหายใจตลอดเวลาต้องหาอาหารหาน้ำมาให้ร่างกายรับประทานอยู่ตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นละไยังต้องมาเจอกับทุกข์ภัยต่างๆ จากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ทุกภัยจากดินฟ้าอากาศทุกภัยจากจากบุคคลที่โหดร้ายทารุณทุกภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของตนเองเป็นต้นเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งเพื่อเราจะได้กลัวความกลัวการเกิดกันเมื่อเรากลัวการเกิดแล้วเราก็จะได้ หาวิธียุติการเกิดกันให้ได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดพิจารากันบ่อยๆถ้าตอนนี้เรายังมีความสุขอยู่ยังไม่มีความทุกข์พระเจ้าก็ทรงสอนว่าให้เราหมั่นพิจารณาเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพลอความแก่ไปไม่ได้ ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราและมันจะทำให้เราต้องทุกข์อย่างมากเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า พอถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะทราบสาเหตุของความทุกข์ต่างๆว่าเกิดจากอะไระก็เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นเกิดจากความอยากสามประการด้วยกันที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆอเหตุอันแรกก็คือการมาตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย เมื่อเรามีความอยากหาความสุขเราก็ต้องมีตาหูจมกูกมิ้นกายเพื่อที่เราจะได้ใช้เสพกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ต่างๆเราก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแก่หรือร่างกายตายไปเราก็จะไม่สามารถที่จะทำตามความอยากของเราได้ เวลาที่เรามีความอยากแล้วเราไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาหยุดหยุดให้ได้ก็คือความอยากนอกจากการม่ตัญหาแล้วก็มีภาวะตัญหาภาวะตัญหาก็คือความอยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เช่น ล, ลาบยาดยศสรเสริญรูปเสียงกลิ่นรส วิภาวะทันหาก็คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่เจอกับความทุกข์ต่างๆนี่เองความอยากทั้งสามประการนี้จะเป็นตัวที่คอยผลักดันให้เราต้องทุกข์แล้วก็ต้องให้เราคอยต้องกลับมาเกิดใหม่่เรื่อยๆพอเมื่อเวลาที่ร่างกายที่เรามีอยู่ในขณะนี้ถึงแก่ความตายไปแล้วความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ยังมีอยู่ในใจ มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะเป็นตัวที่จะผักใจของเราให้กลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขไปเรื่อยๆนั่นเองเราต้องมาหยุดม า, มาหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือตัณหาทั้งสามกามาตัณหาภาวตัณหาและวิภวะตัณหาและการที่เราจะสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่พระเจ้าได้ทรงใช้ในการการหยุดความอยากก็คือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเราต้องมารักษาศีลมาเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิให้ใจนิ่งสงบแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์พอเราเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์ เราก็จะได้หยุดความอยากได้นี่คือวิธีการที่เราจะดับความทุกข์ดับการเกิดแก่เจดตายหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราได้นี้ต้องหยุดด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลในขั้นนี้ก็ต้องเป็นศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปเราต้องใช้ศีลแปดเพราะเราจะได้ระงรับความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ไว้ก่อนไว้ด้วยการใช้ศีลเป็นตัวบังคับแล้วเป้าหมายต่อไปพอเรารักษาศีลแปดได้เราก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิก็หยุดใจให้นิ่งให้ได้เวลาเราจำใจให้สงบเป็นสมาธิใจนิ่งสงบความอยากก็จะหยุดชั่วคราวจะไม่สามารถทำหน้าที่สร้างความทุกข์และไม่สามารถผลักดันให้เรากลับมาเกิดกันได้ สมาธินี้ก็หยุดความอยากได้เพียงชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาเมื่อไหร่ความอยากก็จะออกมาทํางานทันทีถ้าเราอยากจะกําจัดความอยากให้หายไปอย่างถาวรเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วใจเรามีพลังมีมีอุเบกขาพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่า ตัวที่จะพาให้เราไปเกิดก็คือตัวนี้ตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราก็คือตัวนี้คือความอยากต่างๆและการที่เราจะหยุดความอยากด้วยปัญญาก็คือเราต้องเห็นสิ่งที่ความอยากต้องการล้วนเป็นตายรักล้วนเป็นอนิจจังอนัตตาล้วนเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถครอบครองไว้ให้เป็นของเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดไป พอเราเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของของเราเราก็จะได้หยุดความอยากได้อย่างถาวร อ, อันนี้คือวิธีการที่จะกาจัดที่จะหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้เราต้องหยุดความอยากทุกชนิดให้ได้โดยการเบื้องต้นหยุดด้วยหยุดด้วยสมาธิก่อนนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งสงบ พอใจนิ่งสงบความอยากก็จะหยุดทํางานชั่วข่าวพอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะเริ่มทํางานแต่มันจะไม่มีมันไม่รุนแรงเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิพอมันเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถึงแม้จะเป็นสุขก็เป็นสุขช่วงเบื้องต้นพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอน เอาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสูญเสียมีการสิ้นสุดลงกับสิ่งที่เราได้มาพอสอนใจเราให้เห็นว่าทุกอย่างที่ความอยากต้องการนี้เป็นจะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปนําไปสู่ความสุขใจก็จะไม่ก้าอยา ก, กต่อไปเมื่อใจไม่ก้าอยากไม่ความอยากต่างๆที่เคยมีในใจก็หดหายไปหมดทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ใช้ตายลักสอนใจอย่าไปอยาก สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขคิด อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้พอความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหายไปหมดมใจก็ไม่มีเหตุที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดอีกต่อไปอใจก็จะอยู่ที่นิพพานแทนนิพพานก็คือที่ที่ไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเป็นที่ที่มีบรมมิสุข เพราะใจที่สงบนิ่งปราศจากความอยากนี้เป็นใจที่มีความสุขอย่างยั่ ง, งยืนอย่างถาวรนั่นเองนี่ก็คือเป้าหมายของการมาเกิดของพวกเราเราต้องการที่จะหยุดการเกิดกันพอเกิดมาแล้วมันจะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ในขั้นต่อไปนี้เราก็จะมาหยุดความอยากกันด้วยการมาปฏิบัติสมาธินั่งนั่งสมาธิเจริญสติควบคุมความคิดให้หยุดความคิดให้ได้ถ้าใจหยุดคิดเมื่อไหร่ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่เป็นเหมือนกับพระนิพพานแต่เป็นความเป็นพระนิพพานแบบชั่วคราวเ อสตินี้ทำให้ใจสงบให้เป็นนิพพานได้แบบชั่วข่าวยังไม่สามารถทำให้เป็นแบบถาวอนได้จะต้องรอขั้นที่สองหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราก็จะไปขั้นปัญญาต่อไปเพื่อที่เราจะได้ได้ น, นิพพานอย่างถาวอนต่อไป mm hmm. ในรนดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้นิ่งให้สงบว mm ิธ hmm. ีที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้เราจะต้องมีสติ คอยกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่ใช้ผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆกรรมฐานนี้ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันชนิดที่เราใช้กันทั่วไปนี้ก็มีอยู่สองสามชนิดด้วยกันคือหนึ่งพุทธานุสติคือนำน้ำเลกถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจเรียกว่าเรากำลังเจริญพุทธานุสติ หรือถ้าเรามีอีกชนิดหนึ่งก็คืออาณาปนานสติคือการดูลมหายใจเข้าออกอาณาปนานแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการการจดจ่อรับรู้อยู่กับการหายใจเข้าหายใจออก mm hmm. เรียกว่าอาณาปนานสติให้มีสติดูลมที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกมันจะต้องเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องบังคับลมให้ หายใจลึกหายใจยาวปล่อยให้ลมหายใจไปตามปกติตามธรรมชาติของเขาเราเพียงต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจให้ใจเฝ้าดูลมแล้วใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่บางครั้งเวลานั่งสมาธิถ้าใจเรามีความฟุ้งซ่านมากคิดมากไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้หรือไม่สามารถอยู่กับลมหายใจได้เราอาจจะใช้ธรมมานุสติคือการสวดมนต์ไปก่อน ส่วนบทธรรมะต่างๆที่เราได้จดจำเอาไว้จะส่วนบทแผ่เมตตาก็ได้ส่วนบทอิติปิโสก็ได้บทส่วนส่วนอาการสาสิบสองก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดณอถนัดส่วนบทไหนสามารถปูกใจให้อยู่การสวดไปได้เราก็สวดไปก่อนสวดไปจนสักระยะหนึ่งพอรู้สึกใจเบาใจหายฟุ้งซ่านแล้วสามารถกลับมาดูลมได้สามารถดูพุทธ บริกรรมพุทธโธได้เราก็กลับมาที่ลมมาที่พุทธโธนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกรรมฐานชนิดอื่นถ้าท่านเคยใช้กรรมฐานชนิดใดที่ทําให้ใจของท่านนิ่งให้สงบเป็นสมาธิได้ mm hmm. ก็สามารถใช้กรรมฐานชนิดนั้นได้ mm hmm. ไ ม, ไม่ไม่จำไม่ได้บังคับให้ว่าจะต้องใช้พุทธโธหรือใช้ลมหายใจหรือใช้การสวดมนต์ใจอย่างใดอันนี้เป็นเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ ใ ห, ให้ทราบว่าวิธีนั่งอย่านั่งเฉยๆต้องมีอะไรผูกใจไว้ถ้าไม่มีอะไรผูกใจเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขถ้าเราไม่มีอะไรผูกสุนัขไว้สุนัขมันก็จะไปเพ่นพ่านตามที่ต่างๆได้แต่ถ้าเรามีอะไรผูกสุนัขไว้มันก็ไม่สามารถไปไหนได้ในใจของเราถ้าไม่มีสติผูกใจไว้กับกรรมฐานใจของเราก็จะคิดเรือเ่อยเปื่อยนั่งสมาธิไปนานทักท า, า่ก็จะไม่สงบ ถ้าเรามีกำมีสตคิคอยผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานใจก็จะไม่สามารถลอยไปไหนได้ลอยตามความคิดได้ใจก็จะสงบได้ในลําดับต่อไปและในขณะที่นั่งสมาธิก็อย่าเผลออย่าไปหลงตามรู้สิ่งต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมาอาจจะมีเสียงเข้ามาอาจจะมีภาพเข้ามาอาจจะมีแสงเข้ามาหรืออาจจะมีความรู้สึกทางร่างกายมาก็อย่าไปสนใจ เจ็บตรงนั้นคันตรงนี้เรรู้สึกว่าร่างกายเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆสึ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันให้อยู่กับกรรมฐานไปแล้วใจก็จะค่อยๆสงบนั้นนิ่งในที่สุดพอนิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรให้ให้นั่งเฉยๆด้วยสติให้รู้ว่าตอนนี้นิ่งสงบมีความสุขแล้วก็พยายามรักษาความสมบความสุขนั้นให้อยู่ไปนานๆ จนกว่าจะหมดกำลังของสติใจก็จะเริ่มคิดปุงแต่งขึ้นมาหลังจากนั้นจะเลิกหรือจะนั่งต่อก็ต้องจเจริญสติใหม่ต่อไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่คือวิธีการที่เราจะใช้ในการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดผลคือความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่งดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา โอเคตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าตอนนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้านั่งแล้วสงบดีให้จำวิธีนั่งไว้ว่านั่งแบบไหนคราวหน้าเวลามานั่งต่อก็ใช้วิธีนั้นต่อได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนคราวนี้เพราะความอยากให้มันสงบมันจะไม่เกิดขึ้นจากความอยาก เราต้องรู้วิธีนั่งที่ถูกต้องแล้วจดจำเอาไว้ถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรจะเจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวันเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ได้ง่ายได้เร็ว ละต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุร า, าริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุ ป, ปกปติอิชิตังปฏทิตังตุงหังคิปเมวะสมิชาโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตศะนิจจังวุทฒาปะจายิโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนส่งเขียนข้อความใส่กระดาษเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสองร้อยหนึ่งท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สองร้อยห้าสิบห้า YouTube ดร V 4สี่สิบสามวิทยุออนไลน์แด คลับเฮาส์4น้ากุติ185รวมทั้งหมด696ท่นานค่ะเรามีคำถามชาวต่างประเทศโอเคอาจารย์ครับ uh, I, I want to ask you about this uh, right speech ครับ I uh, I have r a v e read your books and I find it's very good but uh, sometimes when I want to uh, uh, Uh, give uh, some some of my friends. h uh, I can see the problems in life. There's a lot of sufferings and uh, uh, uh, things, but uh, there is this issue of unsolicited advice, Achan. Mm -hmm. So sometimes, uh, when I when i I give uh, uh, advice, it may be taken as a wrong uh, uh, wrong wrong wrong intention. I, I don't have any ego, Achan. I mean, it's ah, but it's out of a. A uh, good intention. Uh, I, I would like to uh, help the others. Uh, I also know about right speech. Uh, right speech where you are supposed to give uh, um, a beneficial advice uh, at the right time, and uh, it must be done out of a uh, uh, compassion or good will. Um, and there must be fact and truth. So, so all t h i s I more or less uh, understand a little bit. But uh, uh, still, Achan, uh, uh, if uh, can, how uh, have your advice? Um, how do I uh, differentiate, or do I do something wrong if I give unsolicited advice? I, I'm not a monk, I know. Uh, I have not a degree of a, a PhD degree or or, or whatever, an, a big knowledge in in dharma, but a, a little bit of dharma. It could be like maybe I'm in primary three, but I'm giving some advice. I won't say a, a, a, a, a dispensation, but just advice. To a primary one or something like that. Do you think, uh, Achan? Uh, how how should I uh, go about doing this? Am I in the wrong? Or? No, I think you have to wait to see whether the person wants your advice or not. Mm. So the best way is wait for them to ask for it. Mm. If they don't ask, then just don't say anything. Don't say anything, a huh? But yeah. uh, Achan, that that it also can be, it can be counterproductive. Counterproductive, no. Mm. But uh, Achan, uh, we also. Uh, Uh, know that the time actually we do not know our time. Um, it could be on his side, it could be on my side. Uh, time, our life is uh, very short. We can just be gone. So the chances of uh, that, I also do want to lose the chance. Uh, whether uh, he go or I go, uh, mm -hmm. uh, that I see something that I could be of some help. I would like to help, uh, but I, I do know is uh, uh, sometimes uh, it can be a reflective, unproductive. Uh, So uh, your advice i still, s if they don't ask for it, yeah, I should say, not. No, t say anything. Okay. Thank you, a a n um, Second thing, also second question. Can I ask the second question? Yeah? Um, uh, about this uh, right understanding and uh, right life, livelihood or right effort, a little bit, a huh? uh, uh, a mixture. I am um, actually retired. Um, I would like to have a time to practice uh, as much as possible. But uh, sometimes I also. I am not ready to go forth. Uh, so, uh, but I have some saving, so I would like to uh, practice and uh, take my time, so called. Uh, sometimes I do enjoy certain things. Uh, so, but I I do not have any attachment. Um, is it wrong that uh, you know sometimes I go for uh, maybe good food or some some a uh, travel that kind of things? Uh, um, yeah. It's not wrong. In the sense that you're not breaking any precepts, but it's a hindrance to your advancement toward enlightenment. Mm. If you want to become enlightened, you have to give up your attachment to to food and just eat just for the sake of keeping your body alive, not for enjoyment. Mm. So if you still enjoy food, then you'll find it difficult to meditate after you finish your meal. Because you go, you become drowsy, sleepy. Mm. The if let's say uh, do do for example for example u h uh, If you do not uh, do if you if you if you uh, uh, say because of a party you uh, you you or, or friends uh, or or whatever situation uh, you you are to eat in dinner time or, or after mm -hmm. 12, um, Is it also a kind of uh, attachment when you say that the You only eat specific thing, a vegetarian or whatever, or beyond a certain twelve. I know there is a rules uh, of the eight precept. I understand that. But is it also a kind of attachment that uh, when you when you look into this? It is good attachment. It's attach, it it, it is have, good attachment. Yes, it's a good form of, of attachment mm. because it will assist you, you on the path to w a r d s enlightenment. Mm. So it, it's good to to be attached to the keeping the precept, for instance. Mm. It's not wrong. It's good, mm. but it's bad to be attached to people or things mm. or sensual pleasures, mm. Mm. because they will keep you going round the round of rebirth mm. and never reach enlightenment. So you have to look at the the goal, which it which which is which one is leading you toward the goal, which one is not leading you toward the goal. Mm. If it's leading you away from the goal, then it's bad. Mm. If it's leading you closer to the goal, it's good. Mm. Okay. Thank you, Ajahn. So eventually, you have to choose the path: whether you're g o i n g to continue on with your your worldly, your worldly affairs, activities, or you will go for a monastic life, mm. <laughs> or you can you can do it temporarily at first. Go and live in the monastery for a week or two, and then come back home, and then go back again, back and forth, until you become more energetic, more more inspired to go toward the path of enlightenment. Then you'll start to have more, you'll spend more time at the monastery and less time at home, and then eventually you just stay in the monastery forever. <laughs> okay. เชิญอาจาเดียด๋วยวเชิญเข้ามาได้ดดดดขอบคขอนุญาพระอาจารย์นะครับที่อาจารย์พี่พระอาจารย์เทศเสร็จหลังจากที่เราทำสมาธิเสร็จนะครับพระอาจารย์บอกว่าให้ฝึกทำไปบ่อ ย, ย, ยจะได้เกิดสมาธิในชีวิตประจาวันได้ง่าย พระอาจารย์สันเสริมสมาธิประเภทไหนเหรอครับที่ถ้าพระอาจารย์บอกมีชนิดครับอันนี้เป็นสติวิธีเจริญสติให้ใจเรา ม, มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ<อ>ก็มีสองวิธีที่ใช้กันที่ที่ที่เหมาะสมก็คือวิสติอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธครับพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธคอยสกัดความคิดไม่ให้ความคิดคิดในเนื่องด้วยด้วเปลียนเื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิด ถ้าจําเป็นมีเรื่องที่จะไปจะต้องคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้ก่อนได้แล้วก็คิดเรื่องงานเรื่องการที่เราจะทําพอคิดเสร็จแล้วขณะที่เราไปเตรียมตัวไปทํางานเราก็พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิด oh. วิธีที่สองก็คือให้ผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในเรียบทต่างๆคอยเฝดูว่าร่างกายตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็เดินกับร่างกายกําลังนั่งก็นั่งกับร่างกาย กำ้ํงอาบน้ำล้างหน้าแปลงผันก็อาบน้ำล้างหน้าแปลงผ่านไปกับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลามันนั่งสมาธิมันจะนิ่งจะสงบง่ายก็คือเขาเขาถึงบอกว่ามีสติยิง่งมากยิ่งดีใช่ไหมครับใช่แล่วทงนี้ถ้าเกิดเป็นในสโนกับเกี่ยวกับคณิกะสมาธินี่ครับตอนแรกที่แรกผมเข้าใจเป็นความรู้วเฉยนะครับพรเพราะอาหารตเนี่ยท่าน ถ้าไม่น่าจะมีคณิกะสมาธิแล้วน่าจะมีแต่สองชาญไว้ไ ม, ไม่ไม่เสมอไปถูไครับสําหรับผู้ปฏิบัติเริ่มต้น จ, จ, จะได้คณิกะก่อนครับเพราะว่ากําลังของสติมีไม่มากที่จะนึงใจให้นิ่งให้ได้นานพอน n ปุ๊บเดี๋ยวใจก็ได้ดิ้นออกไปทันทีชั่วชัวเรียกฟ้าแลบชั่วงูลแลบลิน้นสำหรับผู้<อ>ที่เข้าสมาธิใบใหม่เขาเป็นแบบนั้นจะสงบได้ชั่วขนาดหนึง่งแต่ถ้าเราฝึกสติเพิ่มมากขึ้นนั่งสมาธิบ่อยขึ้น ต่อไปก็จะนั่งได้นานขึ้นอเป็นห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่เราพยายามจ ะ, จะเจริญให้มากขึ้นไปตามลำดับครับในระหว่างที่เรากําลั ง, อ ย, งอย่างเช่นพระอาจารย์กําลังเทศนาเนี่ยครับหรือว่าผมพูดอยู่ร้องเพลงอยู่เนี่ยครับสมาธิที่เป็นไปได้ที่สุดที่ดีที่สุดคือสมาธิประเภทไหนครับ หรือว่าอยู่กับสติอยู่ตลอดเวลาคันนันจะอยู่สติสมาธิมันเป็นเป็นสภาพที่เราต้องอยู่คนเดียวไม่ทำอะไรทราบครับมันรถจอดนิ่งถ้ารถยังวิ่งอยู่ก็ต้องมีสติคอยขับให้มันอย่าไปชนคันนั้นคันนี้เวลาเราทมีการเคลื่อนไหวก็มีสติคอยดึงใจว่าอย่าให้ลอยไปที่อื่นเพื่อที่เวลามันนั่งสมาธิมันจะได้นิ่งได้ง่ายได้เร็วครับเข้าใจ คำถามจะพูดและฟังน่ากติค่ะบางทีผมก็ปล่อยวางได้บางทีผมก็เข้าไปยึดผมเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นสลับกันแบบนี้บ่อยๆไม่ทราบว่าผมควรทําอย่างไรให้สามารถปล่อยวางได้ตลอดครับต้องเห็นสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตายรัก<ม>เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา<ม>แล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ติด<ม><ม>คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเป็นการปฏิบัติธรรมครั้งแรกครับไม่ทราบข้อปฏิบัติระหว่างพระกับคารวะเลยครับไปหยิบกาแฟาข อ, ขอไปหยิบกาแฟามาชงภายหลังถึงเห็นป้ายรับประเขตแล้วห้ามหยิบพอดีตอนมาทราบภายหลังว่าขอโทษคะ่นะณตอนนั้นอมาทราบรับประเขตแล้วห้ามหยิบ แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยหยิบอะไรเองอีกเลยพยายามระมัดระวังมากมากครับผ่านไปหลายวันแล้วครับอยู่ๆก็คิดถึงเหตุการณ์นั้นรู้สึกไม่สบายใจไม่ทราบว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดมากไหมและต้องแก้ไขอย่างไรครับไม่ผิดหรอกมันไม่มีเจตนาไม่มีเราไม่รู้ความจริงว่าเป็นกฎระเบียบของของพระที่จะไม่ฉันของร่วมกับคารวะของที่ถวายให้กับพระนั้นนี่คารวไม่ควรที่จะไปแตะ พอไปแตะเหมือนกับว่าไปขอคืนไปเอาคืนมาเป็นของคารวะพระก็จะใช้ของนั้นไม่ได้ใ น, นเวลาที่เราไปอยู่วัดเราต้องถามพระ ก, ก่อนว่ า, าสิ่งไหนที่ผมจับได้ฉันได้สิ่งไหนที่ผมจับไม่ได้ฉันไม่ได้เขาจะแจ้งให้ทราบเองคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะพระโพธิสัตว์ที่แท้จริงที่เวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบุญบารมี น, นั้นมีลักษณะอย่างไรคะ และทําผิดศีลหรือกฎหมายได้ไหมคะคนที่ทําทานเลี้ยงดูสัตว์จรไถ่ชีวิตสัตว์ดูแลคนยากจนเจ็บป่วยที่ไรญ า, าติด้วยเงินตัวเองหรือเป็นสะพานบุญหรือจากเงินที่คนร่วมบริจาคอย่างจริงใจต่อเนื่องถือเป็นหนึ่งในคนที่กําลังสร้างบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์ไหมคะก็อยาจะดูพระโพธิสัตว์ก็ไปศึกษาพระเจ้าสิบชาติอันนี้พระโพธิสัตว์ที่บําเพ็ญเพียรบุญบา ร, รมีชนิดต่างๆเช่นพระ พระมหาชนกก็บำเพ็ญเพียรความความวิริยะบารมีพระอะไรพระเวสสันดรก็บำเพ็ญทานบารมีเป็นต้นถ้าอยากจะรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีลักษณะแบบไหนก็ไปศึกษาพระเจ้าสิบชาติเนี่ยเป็นเป็นพระโพธิสัตว์ที่พระเจ้าได้ทรงเป็นมาตามลําดับจนถึงชาติสุดท้ายมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเอาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ออกบวชเลย แล้วก็ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะในมงคลสูตรผู้มีบุญแล้วในการก่อนหมายความว่าอย่างไรคะถ้ายังไม่มีบุญสามารถเริ่มทําบุญได้ไหมคะในมงคลสูตรศิลธรรมศาสตร์กับวินัยอันชนศึกษาดีแล้วหมายความว่าอย่างไรคะคืออันหน้าก่อน การมีบุญมาก่อนนี่มันจะทาให้มันเรามีนิสัยทาบุญติดตัวมาพอจะทำบุญใหม่มันก็จะง่ายกับคนที่ไม่เคยทำบุญมาก่อนอันเคยทำบุญอะไรมามันจะทำให้ทำบุญได้ง่ายขึ้นอันที่สองวินัยศิลปศาสตร์กับวินัยอันชนศึกษาดีแล้วหมายความว่ายอย่างไรคะวินัยก็คือการที่มีระเบียบขาลบกฎหมายขารบ กฎกฎติกาต่างๆของทางสังคมเนะอันนี้ก็เรียกการมีวินัยได้ฝึกวินัยดีก็จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหากับใครคำถามสังทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะหลวงตาคะถ้าเราโมโหเกินไปเราควบคุมจิตใจของเราเราต้องทำอย่างไรคะอาจทำใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปจุ้จี้จุกจิกอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้า พอเราไม่ได้ตามใจอยากเราก็จะโกรธขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากเรายินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่โกรธใครแต่นเขาจะดีกับเราก็ได้เขาจะไม่ดีกับเราก็ได้เ ร, เรารอับได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราบอกเขาต้องดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็จะโกรธเขาขึ้นมาเัานะพยายามฝึกใจให้เป็นสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ทำไมลูกทำบุญตักบาตรกับพระแต่ละท่านหรือแต่ละวดัดลูกมีความรู้สึกอบอุ่นทางธรรมต่างกันคะหรือหลักยึดทางใจแข็งแรงที่ต่างกาันทำให้ต้องไปทำบุญตักบาตรที่วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จิตใจลูกยึดเหนี่ยวที่ตั้งมั่นจนบุงคนหาว่าลูกเป็นบ้าทำบุญที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันทำไมต้องไปทำตั้งไกล แต่ลูกคิดว่าเดินตามคําสั่งสอนข้อแม่คร mm ูบาอาจารย์ถูกต้องที่สุดถึงไกลลําบากแค่ไหนตื่นเช้าเตรียมของใส่บาตรลูกก็มีความสุขทังจิตค่ะก็เหมือนกับการรับประทานอาหารเราไปรับประทานอาหารร้านต่างๆเราก็มีความรู้สึกต่างกันไปบางร้านเรารับประทานแล้วมีความสุขมีความมีความสุขมากกว่าบางร้านเพราะอาหารที่เขาทําให้เรามันไม่อร่อยไม่ไม่ถูกกับปากของเรา ทำบุญกับพระรูปนี้บางทีอาจจะไม่ถูกกับใจของเราก็เลยไม่รู้สึกสุขเท่ากับทำบุญกับพระรูปหนึ่งที่ที่ถูกใจเราเป็นต้นให้เราเลือกเลือกเลือกทาบุญกับพระได้ถ้าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ไปทำกับพระที่เรารู้สึกทำแล้วมีความสุขไม่ไม่เสียหายตรงไหนสามารถเลือกได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะขณะนั่งสมาธิ ภาวนาพุโทโธพร้อมลมหายใจเข้าออกนั่งได้แบบหนึง่งใจก็แวบไปคิดอย่างอื่นต้องดึงกลับมาภาวนาพุโทโธในการนั่งแต่ละครั้งเป็นบ่อยๆ อ, อย่างนี้ต้องทําอย่างไรคะหรือต้องเดินจงกรมก่อนค่อยนั่งดีไหมคะเราต้องฝึกสติ ท, ทั้งวันก่อนพยายามฝึกพุโทโธพุธโทโธในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งลืมตาขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปในยเต่นขึ้นมาทําอะไรกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุธโทโธไป อย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าเราสามารถรักษาพุโทโธในระหว่างวันได้มากเท่าไหร่เวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบได้มากขึ้นเท่านั้นคำถามจากทางเฟซบุกค่ะการที่เราได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วเมื่อตอนที่เราตายแล้วใจจะได้ไปอยู่ที่ใดเจ้าคะค่อยๆอยู่กับผลลัพธ์ของบุญและบาปว่าฝ่ายไหนมีกาลังมากกว่ากัน ถ้าบาปมีกำลังมากกับบุญบาปก็จะดึงเราไปอาบายไปเกิดใ น, <ม>ในอาบายถ้าบุญมีกำลังมากกับบาปบุญก็จะเราไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆคำถามจากทาง a ฟ e บ o o กค่ะนิสัยสามารถเปลี่ยนได้หายขาดในชาตินี้เลยไหมคะเช่นเป็นคนคิดเยอะคิดมากวิตกจริตต้องทำอย่างไรคะก็ อ, อยู่ิดยๆเจริญสติบ่อยๆคอยควบคุมความคิดนั่งสมาธิบ่อยๆ แล้วต่อไปอาการพูดมากก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลาดับคาถามจากทาง facebook ค่ะเวลาที่เรากําลังเจ็บป่วยและเป็นกมลใจเราจะใช้ปัญญาสอนใจอย่างไรคะก็ยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้ความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เลยทาให้ใจเราทุกข์ ถ้าใจเรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอาการทุกข์ทางใจก็จะหายไปได้คำถามจากทางคุณไทเกอร์ค่ะเวลาภาวนาพุโทโธแล้วคำภาวนาหายไปจิตเข้าสู่ความว่างเย็นเป็นอาการเป็นอาการสงบสบายแต่อยู่ในสภาพนั้นไม่นานควรจะทวนกลับมาใช้พุโทโธหรือปล่อยคำบริกรรมไปเลยครับหรือไม่ควรทิ้งพุโทโธตั้งแต่ต้นครับ เอช่วงที่สงบก็ไม่ต้องใช้พุทโธพอใจเริ่มไม่สงบก็ต้องใช้พุทโธต่อคำถามจากทางยูทู u ด e อกตอร์ค่ะรู้ทันอารมณ์ของตนหยุดได้ด้วยคำบริกรรมบางทีก็ใช้ปัญญาขัดเกลาจิตของลูกมาถูกทางแล้วใช้เมคา้าเพราะจิตลูกเป็นปกติน้อยมากเจ้าค่ะที่ลูกจะนำเอาเรื่องภายนอกมารกใจถ้าทใจให้งให้สงบได้ก็ไป ไปถูกทางนะถ้าใจยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่ถูกทางคำถามจากคุณไทเกอร์ท่านเดิมนะคะความว่างที่อยู่ไม่นาน น, านั้นไม่ควรสนใจใช่หรือไม่ครับเพราะมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปก็มันเป็นผลจากการเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทีนี้มันจะอยู่ได้นานไม่นานเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริง พอมันหายว่างหายสงบเราอยากจะให้มันว่างให้มันสงบแล้วก็จเจริญสติต่อคำถามจากคุณทีคัธนาค่ะความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากเหตุและเกิดจากความอยากเมื่อเรามีวินัยฝึกทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องเราจะมีปัญญามีพลังระดับเหตุแห่งความอยากและความทุกข์ทั้งปวงได้เป็นขั้นๆไปใช่หรือไม่คะใช่คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าตอนทาสมาธิถนัดดูลมหายใจแต่ถ้าระหว่างวันจเจริญสติแบบลมหายใจจะจะหลุดง่ายถ้าจะใช้ภาวนาพุทโธแทนสลับกันแบบนี้ได้ไหมครับได้การดูลมนีเหมอกับเวลาที่เรานั่งเฉยๆแต่ถ้าเวลาเราไม่ได้นั่งเราเคลื่อนไหวเราใช้พุโทโธจะดีกว่าคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ผมเป็นคนที่นั่งขัดสมาธิไม่ถนัดเลยครับเลยสลับกับการนั่งเก้าอี้ตอนทำสมาธิจำเป็นไหมครับที่สมาธิขั้นต่างๆ ต, ตามคำสอนต้องนั่งขัดสมาธิขอเมตตาขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับถ้าเรายังไม่เป็นมืออาชีพก็ไม่เป็นไรนั่งท่านั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นการนั่งขัดสมาธิจะเป็นท่านั่งที่ที่ดีกว่านั่งได้นานกว่านั่งได้สบายกว่า คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะคุณพ่อเริ่มป่วยบ่อยแต่ไม่ค่อยยอมรับการรักษาลูกๆจะช่วยดูแลก็ปฏิเสธไม่ยอมให้ดูแลใดๆในฐานะลูกก็พยายามเต็มที่แต่จะพูดมากก็ไม่ได้ทะเลาะกันไม่อยากให้จิตใจขุ่นมัวอย่างนี้ลูกๆควรวางใจอย่างไรดีครับต้องฟังคุณพ่อคุณพ่อท่านต้องการจะให้ทอาอะไรอย่างไรก็ฟังท่าน ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราไปทำอะไรก็ไม่ต้องไปทำคำถามสุดท้ายนะค่ะ ส, สามารถฝึกสติผ่านงานเช่นการวาดรูปแกะสลักโยคะได้ไหมคะงานบางอย่างก็สามารถใช้เป็นการฝึกสติได้คือการฝึกสตินี้ต้องไม่คิดด้วยแต่ถ้ามีสติอยู่กับงานที่ต้องใช้ความคิดมันก็จะไม่ได้เป็นสติแบบสำหรับที่จะทำสมาธิได้ ต้องเป็นสติแบบที่ไม่ใช้ความคิดถ้าเราวาดรูปนี้บางทีเราก็ไม่ต้องใช้ความคิดเพียงแต่วาดไปให้มีสติอยู่กับการวาดแต่ถ้าเราต้องทําบัญชีอยเราต้องใช้ความคิดด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสัมมาสติสัมมาสติต้องเป็นสติที่รู้เฉยๆไม่มีความคิดอารณ้วนะเลาสําหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ